วันนี้ใครจะถามอะไรเปล่ามีอะไรจะถามเปล่ามีเลยเดี๋ยวส่งไมค์กระป๋อนเลยสมส ก, การ์ค่ะหลวงพ่อหลวงมีคำถามว่าอืมอ่าคนที่ทำบุญนะคะหลวงพ่อตอนที่มีสติคือเป็นคนที่ตนีแล้วตอนที่ไม่มีสติเนี่ย ทำบุญโดยไม่มีสติอ่ะเจ้าค่ะประเภทแบบเมาอ่ะเจ้าค่ะอยากจะถามว่าได้บุญเหมือนที่เราตั้งใจไหมเจ้าค่ะทำเยอะด้วยไม่รู้เหมือนกัน ค, คือคือคือตอนที่มีสติเนี่ยก็เป็นคนตนหนีเป็นคนขี้เหนียวอ่ะเจ้าค่ะแต่พอเมาแล้วแบบก็พอมีคนมาก็เท่าไหร่เท่ากัน หนูก็เลยเอยสงสัยว่าเหมือนเราตั้งใจจะทําอะไรเราจะตั้งใจทั้งๆที่ร้อยเอร์สติร้อซ็นว่าเราจะทำอะไรแต่นี้ประเภทว่าเมาอะเจ้าค่ะแล้วฟักทําบุญนะเจ้าค่ะอย่างนั้นมันมันไม่ได้ทําเพื่อละตะนันดี ม, มันทําเพราะความหลงพาไปคงจะไม่ได้บุญแบบคนที่ทําด้วยมีความมีสติเพรามีสติมีความตั้งใจที่จะ อ, อ ทำด้วยความเมตตาหนึ่งอสองทำเพื่อละต่นนีเพรา ะ, ะความหวงอะไรต่างๆแต่เวลาเมาไม่มีสติมันก็ทําไปตา ม, อ า, มอารมณ์ของความหลงเวลาไม่มีสติก็ถือว่าหลงก็เลยคิดว่าไม่น่าจะได้บุญเหมือนกับตอนที่มีสติ ทำไมนะเย้งั้นก็กินเหล้าก่อนแล้วค่อยมาทําบุญเนี่ยก็ไม่ทําบุญรันนั้นอีกอะเขาก็ทําบุญแบบทำบาปซื้อสุราสั่งสุรามาเลี้ยงเพื่อนฝูงออะไรทํำนองนั้นใช่ไหมไม่ใช่เจ้าค่คือเขาเขาเมาไปประมาณค่ะหลวงพ่อค่ะประมาณว่าเมาสุราก่อนเจ้าค่ะแล้วก็ไปงาน เข้าป่าสามคีอะไรประมาณนี้เจ้าค่ ะ, ะแล้วก็เหมือนประมาณก็เมาบ้ากอยู่แล้วลนะค่ะแล้วก็แบบอุ้ยฉันจะทำบุญแบบเยอะด้วยมากคือคือว่ามากสำหรับที่หนูคิดว่าโดยที่เขามีสติเขาไม่ทำแน่นอนหนูก็เลยเอยสงสัยว่าไอ้ร้อยคือกลับมาบ้านในวันุขึ้นที่หายเมาเราก็บอก เออฉันทำบุญแต่ก็พูดบ่อยอะคะหนูก็เลยมีความรู้สึกวเขาคงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะถ้าถ้าพูดบ่อยนะั่นแสดงว่าอาจจะมีความหวงหรือเปล่าหนูก็ไม่กล้าถา ม, มก็เลยคิดว่าเ อ, อ๊จะได้บุญไหมเนี่ยเพราะว่าตอนที่ทำเนาวเมามากทำราก็แสดงว่าไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวใช่ทำเยอะอ แต่คือเป็นเงินเนี่ยก็คือไม่ได้ไปเลี้ยงใครนะคะแต่เข้าวัดค่ะเงินเข้าวัดเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะคือมีคนบอกอุ้ยทาบุญเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ตัวเองนั้นนะคือเป๋แล้วล่ะก็ฟากไปเจ้าค่ะหนูก็เลยตอนที่ดีๆเนี่ยโอ้ก็ขี้เหนียวก็เลยสงสัยนะเจ้าค่ะเพราะคนใกล้ตัวค่ะไม่ใช่คนอื่นเจ้าค่ะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะรู้ทุกอย่างแต่รู้ว่าทำอะไรที่ไม่ได้สตินี่มันมันมันทำด้วยอารมณ์อารมณ์ที่บางทีก็ต้องมีอารมณ์ถึงจะทำถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำแต่ทำด้วยสตินี่มันทำด้วยเหตุผลเ ม, มื่อมี ความมีเหตุให้ทำก็ทำอฉอันก็ถ้าจะว่าทำมันก็จะน่าถ้าเขาเสียสละเขาเสียสิ่งที่เขาลกเขาหวงไปเขาให้ไปเขาก็น่าจะได้บุญเหมือนกันแต่ต้องรอให้เมาก่อนถึงจ ะ, ะได้ทำบุญ ก็มีคำถามร้อยแปดที่ถามถามเข้ามาบางทีกไ็ไม่รู้จะตอบไงว่าเรื่องของบุญของกรรมจริงๆนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันเป็นจินตยมันมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายลักษณะของการทำบุญแต่เท่าที่รู้ก็รู้ว่า ถ้าเราได้เสียสละของที่เราลากไปเนี่ยถ้าเราเกิดความสุขใจขึ้นมาจากการเสียสละอันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทำบุญ น, นี่ทำบุญมันก็มีหลายสาเหตุคนแต่ละคนก็ทำบุญอาจจะมีหลายเหตุผลด้วยกันทำบุญเพราะสงสารเห็นเขาเดือดร้อนก็สงสารอยากจะช่วยเหลือเขาอันนี้ก็เป็นการทำบุญอย่างนี ทำบุญพเพราะเสน่หาชอบเขาอยากจะสนับสนุนเขาเห็นเขาทำความดีเขาไม่เดือดร้อนแต่เขาเช่นเขาดูแลเรื่องสุนัขอะไรสุนัขจรจัดก็อยากจะสนับสนุนเขาช่วยเหลือเขาเขาไม่เดือดร้อนแต่เห็นเขาทำความดีก็อยากจะส่งเสริมการทำความดี บังทีทำบุญเพื่อที่จะเอาเพื่อเอามาเป็นมิตรกันอยากจะเป็นรู้จักใกล้ชิดกับเขาก็ซื้อของมาฝากเขาเรื่อยๆเจอคันเจอกันก็มีของฝากกันให้กันมันก็เป็นการทำบุญในลักษณะต่างกันตาดถ้าทำแล้วไม่ไม่ได้ต้องการของตอบแทนจากผู้รับเช่นว่า ให้เงินเขาแล้วเขาต้องให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราที่เวลาไปบางคนทําบุญแล้วต้องมีวัตถุมงคลเป็นของแจกเนี้่ทําบุญร้อยบาทจะได้ผ้าเหรียญเงินทําบุญห้าร้อยจะได้ผ้าเหรียญทองอย่างนี้ไม่ได้เป็นการทําบุญแล้มันเป็นการซื้อขายเพราะว่าเป้าหมายอยู่ที่ต้องการพระใช่ไหม บางวัดพระเขอยากบางวัดก็อยากจะสร้างโบสถไม่มีการสร้างบวถเเขาก็เลยไปอทําวัตถุบางคนณมงคนมาขายพูดง่ายๆแต่เราเราไม่เรียกว่าขายท่งนเองแต่ก็ขายเพราะว่าถ้าไม่บริจากเงินเขาก็ไม่ให้เอเช่นบริจากร้อยบาทก็ได้พระทองทองแดงไปห้าร้อยก็ได้พระเงินไป อบาทก็ได้พระทองคําไปอันนี้ก็เป็นเป็นการซื้อขายมากกว่าไม่ได้เป็นการทําบุญถ้าเป็นการทําบุญนี่จะไม่รับผลอะไรคือไม่รับหมายความว่าไม่ได้ตั้งเป้าอยู่ที่จะต้องได้ของนี้ถึงจะทําบุญแต่ถ้าทําแล้วพระท่านมีของ มีวัตถุมงคลที่ท่านอาจจะได้มาจากที่ไหนที่หนึ่งแต่ไม่ได้ไม่เน้มีความตั้งใจจะมีไว้เพื่อที่จะเอามาขายอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะตอบแทนน้ําใจให้ญาติโยมแจกค่าญาติโยมอย่างญาติโยมมาทําบุญที่นี่ก็มีหนังสือแจกเแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ แต่เพราะว่าจะต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะเอาหนังสือไปจะไม่จะไม่ทําบุญก็เอาไปได้หนังสือพวกนี้ไม่ได้อันนี้ถ้าเป็นการบอกว่าถ้าอยากจะได้หนังสือก็ต้องทําบุญเล่มละห้าสิบาทร้อยบาทถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นการทําบุญเป็นการซื้อหนังสือธรรมซื้อขายกันอยากจะถามอะไรไหม ทำไมโครโฟนนะทาให้ดีก็ปฏิบัติทำมาตั้งนานไม่ยังไม่ได้คือพระอะไรเลย เ, เพราะเหตุอะไรจ๊ะเพราะทำน้อยทำไม่ถูกสองอย่างที่ไม่ถูกก็คือไม่มีสติทำโดยไม่มีสตินั่งก็ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ เวลานั่งต้องมีสติอยู่กับเรื่องเดียวถ้าจะพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวถ้าจะดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่างเดียวแต่อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ายังคิดอยู่นี่มันนั่งไปก็ไม่มีวันสงบฉะนั้นต้องหัดฝึกสติก่อนมานั่งหัดควบคุมความคิดก่อน ทั้งวันเนี่ยคอยควบคุมความคิดไว้คอยพุทธโทรไว้เรื่อยๆตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุทธโธไปเลยอย่าปล่อยอให้คิดถึงคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆถ้าจะคิดเรื่องที่ต้องคิดก็หยุดพุดทธโธได้ชั่วคราวคิดได้คือไม่ห้ามไม่ห้ามคิดแต่จะไม่แต่ถ้าไม่มีเรื่องให้คิดก็อย่าไปคิด ไม่มีงานให้คิดก็เด้องหยาบไปคิดเวลาทํางานก็ต้องใช้ความคิดก็คิดไปแต่เวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็อยากให้มันคิด<น>ให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไป<น>อันนี้ต้องมีสติออคอยควบคุมความคิดแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะได้ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธกับพุทโธพุทโธไป ให้ดูลมหายใจมันก็ดูลมหายใจไปถ้าอยากทำอย่างนี้แล้วใจก็จะสงบได้การนั่งสมาธินี้ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิดการนั่งสมาธิก็เพื่อหยุดคิดนี่เองถ้ายังไม่นั่งนี้มันยังหยุดคิดไม่ได้เช่นยังทางานอยู่มันยังต้องใช้ใช้ ใช้ความคิดอยู่กับการงานเวลาร่างกายยังเคลื่อนไหวยังทานู่นทานี่อยู่จิตก็ยังต้องคอยสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวให้ยกแขนยกขาให้ขยับเท้าขยับอะไร อ, ะอันนี้เป็นการทำงานของจิตถ้าอยากจะให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิร่างกายก็ต้องนั่งเฉยๆร่างกายไม่ขยับ พอร่างกายไม่ขยับก็แสดงว่าจิตไม่ต้องทํางานเกี่ยวกับร่างกายแล้วไม่ต้องคอยสั่งให้ร่างกายทํานู่นทํานี้่แต่ครับ แ, แต่ถึงแม้ว่าร่างกายจะน่าสงบแล้วแต่ถ้าไม่มีสติใจก็ยังคิดอยู่ได้ยังคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยังคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เออ่ตอนนี้ต้องใช้สติหยุดมันะ ถ้าไม่มีสตินั่งไปก็จะไม่สงบถึงแม้ว่าร่างกายจะนิ่งแล้วแต่ใจมันยังคิดอยู่ใจจะหยุดคิดได้ก็ต้องมีสติสติก็มีถ้าไม่มีสติก็ต้องใช้วิธีสร้างสติขึ้นมาใช้การสร้างสติการสร้างสติก็ต้องให้จิตอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุโทโธก็พุโทธโธพุทโธไปอยู่กับลมหายใจก็เดินลมหายใจไป ดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปอย่าไปคิดถึงลูกร้านถึงพี่น้องถึงเงินทองถึงงานที่จะไปทำด้วยงานที่ผ่านมาแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้คิดไม่ได้ถ้าคิดแล้วมันก็จะไม่สงบจะไม่ได้ผลคนส่วนใหญ่นั่งแล้วไม่รู้ว่านั่งไปนั่งอย่างไร คิดเขาบอกให้นั่งก็น <des> AH <ay> ั่งก็หลอยยุบหนอก็พองหนอก็ยุบหนอพองหนอได้สองคำแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็บอกให้ดูลมก็ดูลมสองสามครั้งแล้วก็ไปแล้วบอกให้พุทโธก็พุทโธสองสาองสามครั้งแล้วก็นั่งเคิไปนี่เลยนั่งสมาธิแบบไม่ได้ผลนั่งแบบนี้ถ้านั่งแบบได้ผลนี่ต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่มีหยุด จนกาจะจิตจะรวมจิตจะดิ่งลงสู่ควาสมสงบแล้วมันหยุดเอง <Yeah. S 1> หรือดูลมไปจงกาจิตมันจะดิ่งลงไปรวมแล้วก็มันก็จะนิ่งสงบเองแล้วถึงก็จะหยุดหยุดดูลมได้เพะฉะนั <Yeah. S 1> uh. ้น <Yeah. S 1> การที่จะนั่งแล้วไม่ไปคิดอะไรนี้ต้องหยุดต้องฝึกก่อนที่จะมานั่งเนี yeah. ่ยทั้งมันเนี่ยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ย เรามีเวลาที่เราจะหยุดความคิดได้แต่เราไม่หยุดกันเราไม่ต้องใช้ความคิดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเช่นอาบน้าแปะล้างหน้าแปรงฟันนี่เราก็สามารถอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันไปแล้วก็หยุดคิดได้หยุดคิดเรื่องคนนั่นคนนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่เราไม่หยุดกันเองเราแปรงฟันไปเราก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะไปพบกับใครหรือเมื่อวานนี้ได้เจอใคร มีเรื่องอะไรกับใครมีปัญหาอะไรกับใครเคสอยู่ไปตลอดเวลาส่วนงานที่เราทำก็ทำควบคู่กันไปล้างหน้าไปก็คิดไปแปลงฟันไปก็คิดไปถ้าอย่างนี้มันก็พอมานั่งดูลมมันก็คิดไปพอมานั่งพุโทโธมันก็คิดไปงั้นเราต้องหยุดความคิดด้วยการเอาใจใส่อยู่กับการที่เราทำก็ได้ เรากําลังทําอะไรก็ให้เราคอยเฝ้าดูอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นกําลังแปรงฟันก็ให้รู้อยู่กับการแปรงฟันกําลังล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล้างหน้า <ressive. S 1> กําลังหว <ค ijn. S 1> ีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการการหวีผ <pardon. S 1> ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวไปโดยที่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ ถ้าทำนี้แล้วมันจะติดเป็นนิสัยพอเวลานั่งเฉยๆให้มันดูมมันก็จะดูลมไปอย่างเดียวเหมือนกับตอนที่เราล้างหน้าแล้วก็ล้างหน้าไปอย่างเดียวพอเรามานั่งสมาธิดูลมเราก็ดูลมไปอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงคน sın, ค น, นั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดูไปเรื่ ой, รอยๆเดียเด๋ยวมันก็สงบไม่นานห้านาทีถ้าดูดูอย่างเดียวห้านาทีจิต ก, ก็จะรวมจิต ก, ก็จะนิ่งจะสงบได้ จิตก็จะวูบลงไปวูบเล็กวูบน้อยวูบใหญ่มันมีหลายวุบนะบางทีก็วูบแบบตกตกจากที่สูงบางทีก็วุบแบบตกตกจากที่ต่ำไม่สูงมากแต่มันก็จะรู้สึกว่ามันเบาลงสบายขึ้นจิตมันสงบเย็นสบายอันนี้แหละเป็นผลที่เกิดจากการมีสติให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวให้ใจไม่ไปคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าคิดมันก็ไม่เป็นหนึ่งการที่จิตจะสงบเป็นสมาธิได้จิตต้องเป็นหนึ่งเอกขัตตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวคือสักแต่ว่ารู้หรืออุบเบกขาสักแต่ว่ารู้แล้วใจก็เฉยใจไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วก็ใจมีความเบา อ, อกเบาใจสุขใจขึ้นมา ดังคนที่จะนั่งสติได้ผลนี้ต้องฝึกสติก่อนเรื่องสมาธิให้ได้ผลต้องฝึกสติก่อนถ้าไม่มีสติก็เหมือนรถไม่มีเบรกขับรถไม่มีเบรกใหเอาไปนอกเอาขับรถไปข้างนอกเดี๋ยวก็ต้องชนกับรถคันนั้นคันนี้พอถึงทางแยกให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดมันก็ต้องไปชนกับรถที่วิ่งมาทางอื่นให้มันอ หยุดเวลาแหกโครงมันก็ไม่หยุดเนี่ยถ้าไม่มีเบรกนะฮะเห็น uh, ใจนี่เหมือนรถยนต์นะตอนนี้ไม่มีเบรกกันมันก็เลยชนกันอยู่เลยไปเจอใครก็มักจะไปชนกับเขาคุยกันปป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันนะนะเดี๋ยวก็มีเรื่องกันนะ mm hmm. เพราะไม่มีเบรกถ้ามี break, เบรกพอจะรู้ว่าจะทะเลาะกับเขาก็หยุดแนละนะ หยุดพูดพอหยุดพูดก็ไม่พอก็พูดแล้วไม่พอใจก็หยุดไม่ตอบแล้วถ้าตอบเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องเป็นราขึ้นมาหรือเวลาคันปากอยากจะไปแย่เขาก็ไม่แย่บางทีเขาอยู่ดีๆก็คันปากขึ้นมาอยากจะไปแย่เขาพอมีสติก็รู้ว่าไม่พูดอย่างนี้ไม่ดีอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องก็หยุดมันได้ สติเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีก็เรามีบ้างแต่ไม่มากมีพอที่จะอยู่แบบมนุษย์ได้คือพอรู้ว่าจะไปฆ่าเขานี่ก็หยุดได้พอจะไปขโมยข้าวของเงินทองเขาก็หยุดได้ยังมีสติอยู่มีสติระดับมนุษย์แต่ถ้าไม่มีสติระดับมนุษย์ก็จะเป็นเดรัจฉานเช่นอยากจะได้ของคนอื่น เห็นของเขาสวยก็เลยไปขโมยของเขามานี่ไม่มีสติหยุดหยุดหยุดการทําบาป ก, ก็จะเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานมันเห็นอะไรมันชอบมันมันอยากได้มันคว้าได้มันคว้าไปเลยใช่ไหมลองเอาของเอาเอากับข้าววางไว้ตรงไหนเดี๋ยวลืมหมามันข้าไปกินแล่ะเพอแป๊บเดียวหมาข้าไปกินแมวข้าไปกิน เพราะว่าเดรัฉานเขาไม่มีสติที่จะยับยั้งการทําบาปได้เขาพอเขาอยากได้อะไรเขาก็จะเขามีโอกาสเขาก็จะเอาทันทีนั่นเป็นระดับอีกระดับหนึ่งเขาเราียกระดับเดรัชานระดับเปรตตรงนี้ขนะ้ามใจไม่ให้ทําบาปไม่ได้พอมีช่องทําบาปก็จะทําทันทีเ ก็มีความโลภบ้างมีความกลัวบ้างมีความหลงบ้างมีความกโกรธบ้างแต่ถ้าเป็นมนุษย์ถึงแม้จะกลัวบางทีก็ไม่ไม่ทำบาปกลัวงูจะมากัดงูเข้าบ้านแต่ก็มีสติพอที่จะไม่ไปตีมันก็ไปเรียกคนหรือใครมาช่วยจับงูให้เอาไปนอกบ้านนี่ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ยังมีสติยับยั้ง การกระทำบาปที่เกิดจากความกลัวแต่บางคนไม่มีสติยับยั้งหัวงูก mm ็ฟาดเลยหาไม้หาอะไรมาฟาดหัวมันเลยอันนี้ยิงเลี้ยวทำบาปด้วยความกลัว mm hmm. ก็ไม่เป็นมนุษย์แล้วเพราะาไปเป็นเขาเรียกเป็นเอาสุดละกายลล้วบางคนเห็นช่องที่จะได้เงินได้ทองเป็นการได้บาแบบโกงเขาอย่างนี้ ก็เอาโกงเงินก็โกงหลอกลวงกันเป็นหลอกลวงคนนั้นคนนี้เอาเงินเข้ามาอันนี้ก็ทําบาลด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์จะเอาเงินเอาทองนี้จะต้องเอาเงินทองที่ไม่ได้ไม่ได้ทําด้วยด้วยการทําบาปไม่ได้ไปหลอกลวงคนไม่ได้ไปฉก ช, ชิงวิ่งราว ขโมยข้ า, าวขโมยของของคนอื่นถ้าอยากจะได้ของคนอื่นก็ขออนุญาตเขาก่อนถามว่าขอได้ไหมอย่างญาติโยมมานี่บางคนก็เห็นเห็นอะไรเห็นเถาวันที่เป็นยาเนี่ยก็อยากจะเอาไปกินเป็นยาก็ถามว่าขอไปได้ไหมได้ถ้าขอถ้าพาบอกว่าเอาไปได้ก็เอาไปก็ไม่เป็นเลลาชาน ไม่เป็นเปรตแต่ถ้าไม่อยากจะขอกลัวขอแล้วไม่ได้ก็เลยเอาซะก่อนโดยคิดว่าถ้าไม่ว่าหรอกพระท้าไม่ว่าอยู่แล้วแต่แต่การคิดอย่างนี้มันเป็นการคิดเพื่อที่จะทําให้เราได้ทําบาปง่ายขึ้นเราขโมยเงินก็เขาเขาไม่เดือดร้อนหรอกเขาไม่มีเงินเยอะแยะ เราขโมยได้โกงเขาได้เขาไม่เดือดร้อนนคิดแบบนี้ก็คิดแบบเดรัจฉานหรือคิดแบบเปรตก็อยากจะได้เงินของเขาหาเหตุหาผลมาอ้างว่าทำแล้วเขาไม่เดือดร้อนไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ไม่มีสติยับยั้งความคิดเหล่านี้ไม่รู้ว่าเนี้ยทำบาปเนีย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลนั้นใดมันกน็มันก็เป็นการบาปเท่านั้นถ้าจะถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริ ง, รงๆก็ต้องถามเขาก่อนว่านี่เอาเงินของคุณไปนี่คุณเดือดร้อนไหมคุณไม่เดือดร้อนก็ขอนะถ้าเขาบอกเออไม่เดือดร้อนเนาะเอาไปเถอดอย่างนี้ถ้าเอาไปยังไม่บาปอะ่ยงนี้เรียกว่ายังเป็นมนุษย์อยู่ยังยังยับยังจิตใจไม่ให้ไปทําบาปข้อใดข้อหนึ่งห้าข้อนี้ได้ นี่ก็เป็นเรื่องของสติพวกเราเนี่ยมีสติระดับมนุษย์กันหรือไม่อาจจะไม่ระดับมนุษย์ก็ได้หรือมีสติแบบมนุษย์แต่อาจจะไม่เต็มร้อยก็ได้บางเวลาก็ยังพังเผอโกหกบ้างอะไรอย่างนี้ถามว่าไปไหนมาป่าไม่ได้ไปไหนคือบางทีโกหกแบบสุภาพแบบว่า เขากําลังกินข้าวเห็นเรามาเขาก็ชวนเราถามว่ากินข้าวยังบางทีเราก็ยังไม่ได้กินข้าวแต่เราก็ไม่อยากกินข้าวของเขาเราบอกกินแล้วอด้วยความเกรงใจไม่อยากจะไปรบกวนเขาอทําไมไม่บอกว่าถ้ายังไม่กินก็บอกยังไม่กินถ้าก็ชวนกินก็บอกยังไม่หิวยออมหรือเขากินเขาชวนกินก็กินไปก็ได้โดยมารยาทก็จะไปเสียหายตรงไหนทําไมต้องไปโกหก โกหงนี้กับเสียหายยิ่งกว่าไปกินข้าวของเขาถ้าเราไม่มีความอยากกินข้าวของเขาแต่เราพูดตามความจริงเขาถามว่ากินข้าวแล้วยังถ้าเรายังไม่ได้กินก็บอกยังไม่ได้กินถ้ากินแล้วก็บอกว่ากินแล้วส่วนเขาจะชวนให้เรากินถ้าไม่กินก็เรื่องของเขาเขาชวนเราให้กินถ้าเราบอกอิ่มแล้วกินไม่ลงหรือยังไม่หิวก็ปฏิเสธเขาไปได้ หรือทาไม่ให้เสียน้ำใจเมื่อเขามีน้ำใจแล้วก็เอา้ากินก็กินกินนัหน่อยการเป็นมนุษย์นี่ต้องมีสติระดับมนุษย์ถ้าเวลาใดที่เราขาดสติไปทำบาปนี้แสดงว่าเราเริ่มเสียศูนย์เสียความเป็นมนุษย์ไปทีละเล็กทีละน้อยอเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนพระลาวหุนลูกชาย ตอนที่ไปบวชเป็นเนนะพระเจ้าว่าคนเราเนี่ยจะเป็นคนได้ต้องมีสัจจะไม่โกหกแล้วพระเจ้าก็ตักน้ําขึ้นมาเต็มขันแล้วก็บอกเราหุ่นทุกครั้งที่เธอโกหกก็เหมือนเธอเทน้ําออกจากขันนิดหนึ่งทุกครั้งที่เธอโกหกเธอก็เทน้ํำจากขันออกไปต่อไปก็จะไม่มีน้ำเหลืออยู่ในขันถ้าเธอโกหกอยู่เป็นประจําำ ก็ แ, แสดงว่าเธอหมดสภาพของความเป็นมนุษย์ไปแล้วถ้าเป็นมนุษย์นี้ต้องมีต้องไม่พูดปดนนต้องรักษาศีลห้าได้ถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ก็ไม่เป็นมนุษย์แล้วผลมันจะออกมาตอนที่เราตายนี่แหละตอนที่เราตายถ้าเรารักษาศีลห้าได้นี้เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อ เราจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปตกนรกเพราะเราไม่ได้ทำเหตุที่ทำให้เกิดาการเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นสัตว์นรกขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าเราทำบาปเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่จะทำให้เราไปเกิดในอบายแต่ถ้าเราไม่ทาบาปเราก็ยังรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้อยู่ พอตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเรานอกจากไม่ได้ทำบาปแล้วเรายังได้ทำบุญด้วยเอ mm hmm. อเราทำมาหากินแล้วหาเก่งได้เงินมาก mm hmm. ก็เอาไปแบ่ง mm hmm. ไปช่วยเหลือคนอื mm ่นเห็นคนเห็นใครยากจนก็สงสารเขาก็ช่วยเหลือเขาเราก็ได้ทำบุญพอเราได้ทำบุญเราก็ได้ขยับ ฐานะของเราจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาผู้ที่มีมีสติไม่ทําบาปแล้วก็มีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ให้ความช่วยเหลือให้ความสุขแก่ผู้อื่นได้จิตใจก็จะขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันขึ้นขึ้ น, นลงลงในขณะที่เรา ยังมีชีวิตยอยูย่ทุกครั้งที่เราทำลง้งทำบาปมันก็จะลงไปขั้นหนึ่งทุกครั้งที่เราทําบุญมันก็จะขยับขึ้นไปขั้นหนึ่งเนี่ยมันบางทีร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ใจของคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันล่ะบางคนอาจจะทําบาปลงหลายหลายข้อก็จิตกระจายก็ตกต่ําลงไปจาก การเป็นมนุษย์บางคนก็ไม่ทําบาปแล้วก็ยังได้ทําบุญอีกได้ทําบุญก็ขยับขึ้นไปเป็นเทวดานั่งกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาบางคนไปสูงกว่าเทวดาพอไปถือศีลแปดไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าใจสงบเป็นรูปปัจจานเป็นอรูปปัจจานขึ้นมาใจก็ไปเป็นพมไปละ ไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดาแต่เป็นพรหมบางคนไปสูงกว่านั้นอกีกไปเป็นพระอริยะบุคคลก็ได้าฟังเทศน์ฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักอริยสัจ ส, สี่ให้รู้จักตายรักว่าเป็นอะไรพอเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นตายรักก็ตัดความอยากได้หยุดความโลภความโกรธความหลงได้ก็เคลื่อนไปเป็นพระอริยะเจ้า เป็นพระโสดาบันพระสกิดา ค, คามีพระอนาคามีพาาระอรหันต์แต่ร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ร่างกายก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ Stamp พระพุทธเจ้าตอนที่ตัดสโรนั้นจิตใจของท่านขึ้นสูงแต่ร่างกายของท่านก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เหมือนเดิมแต่ในใจของท่านนั้นท่านขึ้นไปถึงขั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจิตใจของพวกเราเนี่ย เป็นไปตามบุญตามกรรมที่เราทำกันในแต่ละวันในแต่ละเวลามันจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นหรือมันจะฉุดรากให้จิตใจเราลงต่ำลงอยู่ที่การกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจนี่แหละถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเราก็พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับถ้าเราพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดี มันก็จิตใจก็จะลงต่ำถ้าคิดไปในทางอบายามุกไปเสพสุราไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปคบกับคนที่ชอบอบายามุกหรือมีความเกลียดค้านความคิดเหล่านี้มันจะฉุดให้เราไปทำบาปต่อไปเพราะอบายามุกนี้มันมีแต่จะดูดซับของเราไป ไม่ไม่ได้สร้างทรัพย์ให้กับเราไปเที่ยวก็ต้องเสียทรัพย์ไปเื่งการมา น, นันก็เสียทรัพย์ไปดื่มโซราก็เสียทรัพย์ความเกียดค้านก็ไม่ได้ทรัพย์มันก็จะมีแต่ทำให้เราทรัพย์น้อยลงไปแล้วพอเรามีทรัพย์ไม่พอใช้เราก็จะไปทำบาปกันเพื่อที่จะได้สิ่งที่เราอยากได้กันถ้าเราคิดไปในทางอบายามุข ค, คิดไปในการทาบา เราก็จะไปทําบาปไปพูดโกหกหลอกลวงเรียกว่าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีมันก็จะฉุดจิตใจให้ลงต่ำลงไปสู่อบายขั้นต่างๆแต่ถ้าเราคิดดีคิดทําบุญคิดไม่ทําบาปรักษาศีห้าให้ได้รักษาศี ห, าาห้าได้แล้วอยากจะรักษาเพิ่มเห็นว่ามีศีแล้วมีความสุข ก็เพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแปดพอมีศีลแปดก็จะมีเวลาว่างเพราะคนถือศีลแปดนี่ไ ม, ไม่ไม่ไปทําอะไรละไม่ไปเที่ยวไม่ไปกินไม่ไปดื่มไม่ไปเล่นไปดูไปฟังอะไรไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวมีเวลาก็ไปฝึกสมาธิไปเนื้อโนจงกรมเจริญสติพุโทโธพุโทโธ แล้วก็มานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจรวมเป็นสมาธิก็เป็นฌานขึ้นมาพอใจรวมใจก็กลายเป็นสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นมามีความสุขมากกว่าการได้ไปทำบุญให้ทานทาบุญให้ทานก็มีความสุขระดับเทพนะแต่ถ้าไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็ได้บุญระดับพรหมขึ้นมา แล้วถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้าว่าความสุขที่แท้จริงนี้เกิดจากการที่เราไม่ไปทำไม่ไปทําอะไรตามความอยากถ้าจิตเราสงบแล้วเรามีความสุขแล้วเป็นสเป็นพรมแล้วถ้าเราอยากจะให้มันสูงกว่า น, นั้นเราก็ต้องคอยหยุดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นมา เพราะความอยากนี้มันจะทำให้จิตลงต่ําจากพรมลงมาสู่เทพเจนอยากไปกินไปดื่มก็เป็นการไปเสีรูปเสียงกลิ่นรสถ้าไปทํามันก็จิตก็จะอยากลงไปถ้าไม่อยากจะให้จิตหยาบลงอยากให้จิตละเอียดไปนานๆก็ต้องฝืนความอยากถ้าฝืนความอยากได้ด้วยด้วยความรู้ทางปัญญา หรือว่าความอยากนี้มันเป็นโทษก็ต่อจิตใจมันเป็นตัวที่จะฉุดล่างจิตใจให้ลงต่ำแล้วก็เป็นตัวที่จะฉุดล่างให้จิตใจกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็อยากไปทำตามความอยากให้อยู่กับความสงบไปเวลาอยากได้อะไรก็กลับไปเข้าสมาธิไปทำใจให้สงบไปฝืนความอยาก ถ้ารู้ว่าความอยากไม่ดีและสิ่งที่เราได้จากความอยากมันก็เป็นของชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดความสุขที่ได้จากของนั้นก็หายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามีปัญญาเห็นตายรักเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เห็นว่าความทุกข์ความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก ถ้าไม่มีความอยากความทุกข์ใจก็จะไม่มีเมื่อไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์ใจใจก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบอันนี้เรียกว่าปัญญาถ้ามีปัญญาละก็จะสามารถรักษาจิตให้ขึ้นอยู่ในระดับของพระอริยได้เป็นพระโสดาบันพระสกิฎรคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้ ถ้สวดาบันนี้ก็หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ถ้ายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจิตก็จะทุกข์เวลาเจอความแก่ก็จะทุกข์เพราะไม่อยากแก่พอเจอความเจ็บก็ทุกข์เพราะไม่อยากเจ็บพอเจอความตายก็จะทุกข์เพราะไม่อยากตาย แต่ถ้ามีปัญญาเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามเวลาของมันสิ่งที่เราทำได้คือรักษาใจของเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายด้วยการหยุดความอยากไม่ไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตาย ด้วยการทำใจเฉยๆเวลาแก่ก็เฉยๆเวลาเจ็บก็เฉยๆฉเวลาตายก็เฉยๆใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะสงบใจก็จะเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพระโสดาบันนี้ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้มันเป็น อนนี้อางไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้งตายเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไปเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เมื drop, ่อรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันเป็นไปถ้าปล่อยให้มันเป็นไปก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมปล่อยก็จะทุกข์ถ้าไม่ยอมให้มันแก่ไม่ยอมให้มันเจ็บไม่ยอมให้มันตายมันก็จะทุกข์นี่ก็เห็นอริยสัจสี่เห็น วความทุกข์เกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายนี่แล้วก็เห็นว่าถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากนี้หยุดความอยากก็ต้องเห็นความจริงว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้ก็อย่าไปห้ามปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไป ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้แล้ว<ม>ถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นก็ต้องหยุดความอยากอีกระดับหนึ่งความอยากมีแฟนยังอยากมีแฟนอยู่เห็นใครหน้าตานหน้ารักหน้าดูหน้าชมก็อยากจะได้เขามาเป็นแฟน อยากจะอยู่ใกล้กับเขาอยากจะหาความสุขกับเขาก็ต้องพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยงามของเขาเขามีส่วนที่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามก็มีอยู่แต่ส่วนที่ไม่สวยงามนี่มันเห็นยากหน่อยเพราะมันถูกปกปิดเช่นถูกผิวหนังหุ้มห่อไว้ร่างกายนี่สวยภายนอกพอมองเข้าไปตะลุใต้ผิวหนังได้แล้วมันก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยซ่อนอยู่ มันกระเป๋าเนี่ยดูข้างนอกสวยแต่ข้างในเราเปิดดูแล้วของกระเป๋านี้ยินดีใคนอื่นเขเปิดดูกระเป๋าเราไหมในกระเป๋าเรานี้ไม่รู้มีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะดูข้างนอกก็จะไม่รู้รู้แต่ว่ามันดูว่าสวยแต่ข้างในมันอาจจะมีกองขยะอยู่ข้างในก็ได้ใน <c oughs> ร่างกายเราดูข้างนอกก็สวยแต่ถ้าเราเปิด ร่างกายเหมือนเปิดกระเป๋าขึ้นมาดูได้ก็คงจะเห็นส่วนที่ไม่สวยต่างๆถ้าอยากจะดูร่างกายส่วนที่มองไม่เห็นก็ต้องไปดูตอนที่เขาผ่าผ่าศพอย่างนี้ที่คนที่ปฏิบัติอยากจะดูความไม่สวยงามของร่างกายบางทีก็ต้องไปดูการผ่าศพตามโรงพยาบาลต่างๆจะเห็นการผ่าศพออกมา ก็จะได้เห็นภายในของร่างกายว่ามีอะไรบ้างถ้าเห็นแล้วเราเอามาจดมาจำไว้มาคิดอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดความอยากเห็นใครน่ารักน่าดูน่าชมอยากจะให้เขามาเป็นแฟนพอเปิดเปิดพอผ่าอกผ่าท้องเขาออกมาดูก็ก็จะว่าไม่เอานีกว่าสวยแต่ภายนอกแต่ภายในนี้ดูไม่ได้เลย ถ้าเราเห็นความไม่สวยงามของร่างกายได้ตลอดเวลาเราก็จะไม่มีความไม่มีอารมณ์ที่อยากจะได้เขามาเป็นแฟนไม่มีอารมณ์ที่อยากจะไปหลับนอนกับเขามันก็จะเลื่อนขึ้นไปจากพระโสดาบันไปเป็นพระสะกิทาคามีเป็นพระอนาคามีไปพระสะกิทาคามีนี้เห็นบางเวลาบางเวลาก็ยังไม่เห็นบางเวลาไม่ได้คิด มันก็ไม่เห็นเวลาที่คิดก็เห็นดันั้นก็ยังไม่สามารถดับความอยากที่จะเสพกรารกับผู้อื่นได้เต็มที่เวลาที่เห็นไม่สวยงามก็ความอยากเสพกรารก็ดับไปแต่เวลาที่ไม่เห็นความอยากเสพกรารมันก็ไม่ดับแถ้าเป็นถ้าเห็นตลอดเวลามันก็จะไม่มีความอยากเลยผู้ที่เห็นตลอดเวลาก็คือพระอนาคามี ผู้ที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็เป็นพระสกิรดาคามีเห็นนัสสุภาบางเวลาก็เห็นบางเวลาก็ไม่เห็นคือเวลาเริ่มต้นพิจารณานี้มันก็จะล้มลุกคุกขานบางทีก็นึกถึงมันบางทีก็ไม่อยากจะนึกถึงมันอันนี้ก็ต้องบังคับให้มันนึกอยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนกับพุทโธตอนที่เราเริ่มหัดพุทโธใหมๆ่ๆเราก็ลองบังคับให้มันพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆ พาเราอยู่ในระดับปัญญาเราก็ต้องคอยระลึกอยู่เรื่อยถ้าระดับพระโสดาบันก็ต้องระลึกอยู่เรื่อยว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายลงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้พอผ่านขั้นโสดาบันได้ก็ต้องมาระลึกถึงอสุภะพราร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามต้องบังคับถ้าไม่บังคับมันก็จะไม่ระลึกถึงมั น, ม, น, ม, นมันชอบไประลึกเรื่องอื่นต้องคอยดึงมันมาบังคับ ให้มันนึกถึงภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายที่เราไปเห็นจากการไปดูผ่าศพก็ได้ทำไมพุทธการท่านให้ภาพไปดูป่าช้าทำไมก่อนป่าช้าก็ไม่ได้เผาไม่ได้ฝังศพเขาอาศพไปวางไว้แล้วปล่อยให้มันเน่าเปื่อยผุพังไปให้หมาให้แหลงกามากัดมากินไปเป็นทางแก่สัตว์ไปศพนี่ยังมีประโยชน์ จะได้มีอาหารกินใครอยากจะดูความไม่สวยงามของร่างกายก็ต้องไปดูที่ป่าช้ากันสมัยนี้ไม่มีป่าช้าแล้วศพถูกเก็บไว้อย่างเรียบร้อยแช่เย็นแข็งเป๊ะเลยดูเหมือนเหงาคนนอนหลับก็เลยต้องไปดูที่โรงพยาบาลที่เด็กนักศึกษาแพทย์เขาผ่าศพศึกษาดูอวัยวะต่างๆกัน หรือสมัยนี้เราก็มีสื่อมีการถ่ายภาพถ่ายวีดีโ อ, อก็ถ้าไม่อยากถ้าไม่มีโอกาสไปถึงที่โรงพยาบาลนี่ก็เดี๋ยวนี้ดูภาพที่เขาถ่ายมาก็ได้ภาพที่เขาไปถ่ายมาจากอุบัติเหตุภาพที่เขาไปถ่ายเวลาที่เขาร่างป่าช้าโศกขึ้นมาศกที่ยังไม่เน่าไม่เปื่อยบางทีก็มีศกที่กลายเป็นโครงก็ดูกไปแล้วกลายเป็นกระโหลกไปแล้วก็มี เนี่ยนะก็คือส่วนต่างๆของร่างกายที่เราว่าสวยบ้างงามแต่เรามองไม่เห็นด้วยกันเพราะเราปกปิดกันในเวลาเราออกจากบ้านนี้เราต้องแต่งหน้าทาปากต้องหวีผ้าหวีผมล้างหน้าล้างตาให้ดูหน้าดูก่อนเไม่งั้นเราก็ไม่กล้าออกมาเลยไม่ค่อยเห็นความไม่สวยงามของร่างกายก็เลยมองไม่เห็นอสุภะกัน ก็เลยหลงไหลข้างใครกันรักกันหหวงกันฆ่ากันฟันกันแย่งกันกับร่างกายนี้พอไม่เห็นอุสุภะถ้เห็นว่าร่างกายมันอนุสุภะนี่ไม่มีใครมาแย่งกันอกไม่มีใครไปข่มขืนกันนี่ไปข่มขืนกันพอไปอยู่ที่ไหนที่เปลี่ยวคนเดียวก็ไปปั้มเขาไปข่มขืนเขาไปรังแกเขาเพอไม่เห็นเป็นอสุสุภะ เห็นว่าเป็นสุภาสุภาพแปลว่าสวยงามสุภาพแปลว่าไม่สวยไม่งามสุภาก็มาจากคาว่าโสภาเนยโสภาสุภาพนี่คำเดียวกันผู้ที่เห็นสุภาพตลอดเวลาจะจะสามารถควบคุมกมจัดความอยากในกามอารมณ์ได้แล้วถ้าอยากจะไปสูงก่นนั้นก็ต้องเข้าไป ไปไปหยุ์ความอยากที่ยังมีอยู่ในจิตความอยากที่เกี่ยวกับร่างกายหมดไปแล้วความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหมดไปแล้วความอยากมีแฟนหมดไปแล้วแต่ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังมีอยู่ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ก็ต้องไปตัดตัวอัตตาตัวตนในจิตว่าตัวตัวจิตนี้เป็นตัวรู้ไม่ใช่ตัวตนตัวตนนี้เป็นตัวคิดคิดขึ้นมาเองว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ เราสูงกว่าเขาเราเท่ า, าเขาเราต่ำกว่าเขาความจริงมันเท่ากันหมดเป็นจิตเหมือนกันหมดแต่เรามีสมมุติมามาทำให้เราคิดว่าเราสูงเราต่ำเรามีเงินมากกว่าเราก็เป็นเจ้านายเขาได้จ้างเขาสั่งเขาได้เราก็คิดว่าเราใหญ่กว่าเขาสูงกว่าเขามีเงินน้อยกว่าเขาเราก็ต้องเป็นลูกน้องเขา อันนี้ก็เป็นสมมุติที่จิตมาติดอยู่แต่จิตติดแล้วก็ทุกข์กับมันเพราะไม่มีใครอยากจะเป็นไม่มีใครอยากจะเป็นลูกจ๊อกมีแต่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันนเพราะไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ทุกข์แต่ถ้ารู้ว่าเราไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้เป็นลูกจอกของใครเราเป็นแค่ตัวรู้เราก็จะไม่ทุกข์ ใครจะดูถ so ูกเราก็เราก็ไม่ทุกข์กับการดูถูกของเขาใครจะยกย่องเราเราก็ไม่ได้ไปดีใจกับการยกย่องของเขาเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมุติที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเองตัวเราแท้จริงของเราก็คือตัวรู้เท่านั้นเองตัวรู้กับตัวคิดเพียงแต่ว่าเราไปหลงกับเราไปคิดหลงกับสมมุติต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับเราพอเรารู้ทันสมมุติรู้ว่าอันนี้เป็นเพียงสมมุติ ให้ทำให้เราสูงให้เราต่าเราก็เฉยๆมันไม่ยินดีไล่ไปกับมันแต่ก็ปฏิบัติตามกฎมสมมุติถ้ายังเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทตัวเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กก็ต้องทาตัวเป็นเด็กไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ก็มาเล่นกับเด็กนี่เป็นเด็กก็ไปเล่นกับผู้ใหญ่นี่มันก็ไม่ถูกอันนี้ก็คือการตัดความอยาก เป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนั่นเป็นนี่ให้รู้ว่าความจริงแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเราเป็นตัวรู้ผู้รู้เท่านั้นเองสิ่งการเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนั่นเป็นนี่มันเกิดจากการที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เลยเป็นใหญ่ขึ้นมาพอเขาเลือกให้เป็นนายกก็ใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมใหญ่เพราะเขาเลือกท่านเองแล้วเดี๋ยวพอก็ไม่เลือกก็ไม่ใหญ่ก็ ขึ้นขึ้นล ง, ลงลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์ต่างๆถ้าเรายังไปยึดไปติดอยู่เราก็จะทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงเวลาได้เป็นใหญ่ก็ดีใจพอหมดพ้นจากการเป็นใหญ่มาก็เสียใจบางทีก็พยายามรักษาความเป็นใหญ่ไว้ไม่ยอมเสียเห็นไหมเป็นประทานาธิบดีก็เปลี่ยนกฎหมายเขาให้เป็นได้แค่สองรอบก็เปลี่ยนให้มันไม่มี ไม่มีจำกัดรอบเป็นได้ตลอดชีวิตความอยากแล้วถ้ามันไม่ได้มันก็ทุกข์ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นตัวตนไม่มีอะไรเราเป็นได้ทั้งนั้นแล้วแต่สมมุติจะมาให้เราเป็นเราก็เป็นไปกับสมมติไปแต่เราไม่ได้ยึดติดกับสมมตินั้นสมมตินั้นอาจจะหมดไปเมื่อไหร่จะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ก็ได้ เราถ้าเรารู้ตัวจริงแท้จริงของเราว่าเราไม่ได้เป็นตัวตนแล้วมันก็หมดปัญหาไปตัวตนมันมาจากความคิดของเราเองตัวจริงแท้จริงของเราก็เกิดตัวรู้เท่านั้นเองตัวรู้ที่ลหลงไปกับสมมุติพอหลงก็เลยเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมาแต่ถ้ารู้ว่าเราเป็นตัวตนเป็นอะไรก็ได้เขาให้เป็นอะไรได้ทั้งนั้นเขาว่า ควายก็อีควายอะควายก็ควายเขาก็มีทองดําก็ทองดาก็ทองดําไปก็เขาว่าเนี่ยเขาจะว่าก็ปล่อยเขาว่าไปแล้วตัวรู้ก็รู้ไปไอ้เขาว่ามันเป็นทองคําอ่ะทองดําก็ทองดําทองแดงก็ทองแดงดอกทองก็ดอกทองออก็เขาว่าก็ปล่อยเขาว่าไปสิเห็นไหมเราเป็นตัวรู้ก็รู้ไปนะ ยังจะต้องไปดีใจเสียใจกับคําที่เขาว่าลหรก็ชมโอ้ยเป็นนางฟ้าเ ป, นนเป็นนู่นเป็นนี่ก็ดีใจดีออกดีใจก็เป็นเพียงแต่คําพูดของเขาเนี่ยเราเป็นเหมือนจิ้งหรีดไหยพอใครเอาขนอะไรมามามาแย่ที่จมูกหน่อยมันก็ลองกิ๊กกิ๊กกิ๊กกกกิขึ้นมาพอมีใครเข้ามาชมเราหน่อยแล้วก็กิ๊กกิ๊ขึ้นไปโอ้ยดีใจวันนี้สวยเหลือเกินพูดแค่นี้ก็ดีใจแล้ว พอใครว่าพอใครเขาด่าหนยะโอ้ยไม่น่าดูเลยวนันนี้ก็เสียใจไปทั้งวันเพราะไม่รู้ตัวจริงแท้จริงของเราว่าเป็นอะไรก็เลยต้องบ้าไปตามความความคิดของคนอื่นเขาว่าเราดีเขาก็ดีใจไปกับเขาเ ข, ขาว่าเราไม่ดีก็เสียใจไปกับเขาแต่ถ้าเราพบตัวจริงแท้จริงของเราว่าเราเป็นแค่ตัวรู้ตัวรู้ตัวคิดเทนั้นเองใครจะว่าเรายัางไงาก็ห้ามเขาไม่ได้ ใครก็จะด่าเราก็ห้ามเขาไม่ได uh, ้ใครก็จะชมก็ห้ามเขาไม่ได้ใครก็จะเชื่อเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะไม่เชื่อเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปทั้งนึ่นถ้าเรารู้จักตัวเราแล้วเราก็จะไม่ไปหลงไหลกับการแต่งตั้งของคนอื่นใช่แต่ตอนนี้เราไม่รู้จักตัวเราเราก็ไปหลงกับการแต่งตั้งของคนอื่นเขาตั้งให้เป็นนายกก็โห้ยก็ดีใจตั้งให้เป็นหัวหน้าก็ดีใจตั้งให้เป็นผู้จัดการก็ดีใจ พอโปรจก็เสียใจชีวิตของเราก็เลยวุ่นวายไปกับการแต่งตั้งต่างๆนี้เพราะไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นอะไรตัวแท้จริงของตนเองไม่ถ้าปฏิบัติไปถ้าปฏิบัติไปมันละกิเลสไปได้เรื่อยๆพอมันละสั้งกายไปแล้วมันก็จะเหลือแต่จิตใจที่ยังไม่ได้ละมันก็จะมาคอยดูจิตใจว่าตัวจิตใจนี้แท้จริงมันเป็นอะไรกันแนะ่ มันก็นจะค้นพบว่ามันก็เป็นแค่ตัวรู้นี่ไอตัวคิดมันก็คิดไปตามสมมุติที่เขาให้คิดกันไป S <S มันคพื่อมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าอะไรเป็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาก็อยากไปยุ่งกับมันถ้าไปยุ่งกับมันมันก็ต้องทุกข์ถ้าไม่ยุ่งก็ไม่ต้องทุกข์เขาให้เป็นนายกก็ไม่เป็นเขาให้เป็นผู้จัดการก็ไม่เป็นเขาให้เป็นเจ้าเป็นอะไรก็ไม่เป็น เป็นตัวรู้เพอละสบายกว่าเขาให้เงินมาก็ไม่รับก็ได้ะตัวรู้มันไม่กินเงินไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ตัวรู้นี่มันมันต้องการความสงบอย่างเดียวถ้าตัวรู้ตัวรู้มีความสงบแล้วมันจะไม่หิวกับสมมุติจะไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญฉะนั้นเราต้องมาสร้างความสงบให้กับตัวรู้ถ้าตัวรู้มีความสงบแล้วตัวรู้ไม่หิวจะรู้ทันสมมุติ แต่ถ้าตัวรู้ไม่มีความสงบมันเิวมันจะต้องหลงกับสมมุติมันจะต้องไปกับสมมุตินั้านั่นเองนี่คือเรื่องของการปฏิบัติสติเนี่เป็นตัวที่จะพาเราไปสู่ธรรมทุกขั้นเพราะสติต้องนำก่อนแล้วปัญญาถึงจะตามมาได้เพราะสติจะเป็นตัวตัวสั่งความคิดให้คิดไปในทางปัญญาได้ไม่มีใครจะสั่งความคิดให้ไปคิดเป็นทางปัญญานอกจากสติ แล้วนอกจากมีสติแล้วก็ต้องมีคนมีปัญญาสอนว่าคิดทางปัญญาเป็นยังไงก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะคิดไปในทางปัญญาได้ถึงจะสร้างสติขึ้นมาได้ผู้ที่สอนให้เราสร้างสติก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่สอนให้เราเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจ ส, สีก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีใครในโลกนี้ที่สอนเรื่องเรื่องสติเรื่องปัญญา ไม่มีใครสอนเรื่องการเจริญสติไม่มีใครสอนเรื่องตายลักไม่มีใครสอนเรื่องอริยสัจ ส, สี่มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าไม่มีสติไม่มีตายลักไม่มี อ, อริยสัจ ส, สี่ก็จะไม่มีไม่สามารถเป็นอริยบุคคลได้การจะเป็นพระอริยบุคคลได้ต้องมีสติที่สามารถสั่งใจให้เห็น สอนใจให้คิดให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นตายรักได้เพราะเมื่อเห็นได้ก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เมื่อหยุดความอยากต่างๆได้ก็บรรลุเป็นพระอริยขั้นต่างๆขึ้นมาได้จนถึงขั้นสูงสุดได้พระอริยบุคคลจะมีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นคือพระอริยบุคคลก็คือระดับปิญญาขั้นต่างๆนั่นเอง เราอยากจะได้ปริญญาเราก็ต้องไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยถึงจะได้ปริญญามหาวิทยาลัยบางแห่งก็ได้แค่ขั้นปริญญาตรีบางแห่งก็ขั้นปริญญาโทบางแห่งก็ถึงขั้นปริญญาเอกถ้าอยากจะได้ขั้นอริยบุคคลสี่ขั้นนี้ต้องมาที่พุทธศาสนาเพียงแห่งเดียวและแห่งอื่นไม่มีไม่มีพระอริยบุคคลไม่มีการผลิตพร ะ, ระพระอริยบุคคล ไม่มีการสอนให้เกิดปัญญาเพื่อให้ได้เป็นพระอริยบุคคลต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ช่วยาศาสดาอาจารย์เนี่ยพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่และพระอริยาสาวกทั้งหลายก็เป็นผู้ช่วยาศาสตาอาจารย์มาช่วยกันสั่งสอนพระอริยาสาัจสีสั่งสอนไตรลักษณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่เข้าศึกษา แล้วสามารถปฏิบัติตามคำสอนได้ก็จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมานี่เกิดเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเราเข้ามาสัมผัสรับรูบร้กันเราจะได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติและตัวที่ต้องปฏิบัติก็คือสตินี่แหละถ้ามีสติแล้วตัวอื่นตามามาหมดศีลก็ต้องมีสติ สมาธิก็ต้องมีสติปัญญาก็ต้องมีสติถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาด้วยสติมันก็จะมีวิมุติมีการหลุดพ้นมีการบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จากการมีสติจากการมีศีลสมาธิและปัญญา ที่เกิดขึ้นจากการมีความเพียรมีความภาคเพียรความขยันสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเองมันต้องเกิดจากอัตตาหิอัตโนนาทโถตอนเป็นที่พึ่งตอนเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาครูบาอาจารย์เพียงแต่สอนเท่านั้นเองไม่สามารถผลิตศีลสมาธิปัญญาให้กับพวกเราได้พวกเราต้องผลิตศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเองด้วยความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะ ความพยายามอยู่ที่ไห น, นความสําเร็จอยู่ที่นั่นยังต้องมีความเพียรต้องมีความข ย, ายามันมันปฏิบัติตื่นตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับได้รับรองได้ว่าการพัฒนาจิตใจจะไปได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอย่างแน่นอนอมีเป็นการรับประกันของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกถ้าจเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับได้รับรองได้ว่า จะหลุดพ้นภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้อย่างแน่นอนฉะนั้นขอให้เราให้ความสำคัญกับสติฝึกสติอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆดึงมันกลับมาให้อยู่กับพุทโธพุทโธแล้วอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วต่อไปเราจะมีสติแล้วเราจะมีสมาธิแล้วเราจะสามารถเอาสอนใจให้คิดไปในทางปัญญาได้ แล้วเราก็จะตัดความอยากต่างๆได้ตัดความอยากก็เท่ากับตัดภพชาติเพราะภพชาติก็เกิดจากความอยากนี้เองอเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีภพชาติอีกต่อไปไม่มีภพชาติก็ไม่มีความทุกข์นั่นเองทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องมีความทุกข์เพราะจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่อ่ามีคือแก่ หรือความสาระสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เราควรที่จะเข้าหากันอย่าไปกังวลกับเปลือกพิธีกรรมต่างๆสร้างบุษขาสร้างท้าวลวัตถุต่างๆทำได้แต่อย่าเถยว่ามันเป็นเนื้อหนังก็แล้วกันทำไปตามเหมาะความเหมาะสมตามความจำเป็นแต่เนื้อหนังจริงๆก็คือการเจริญสติเพื่อให้เกิดสีนสมาธิปัญญา เพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอล้วนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอนอยาถาวาริวหาปุราปะเลปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุ ป, ปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจจโต สัพเพปุเรตุสังคปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ ภาพิวาทะนสีลิตสะนิจังอุทาปจายโนจตารโรธรมมวาทานติอายุวนันโสุขังภาลาัาวันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเฟซบุ๊กสี่เจ็ดสิบค่ะ y o u t u หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบหกผู้รับฟังบนเขา4สสิบสามรวมทั้งสิ้นหกร้อยแปดสิบหกท่านค่ะ475ร้อยเจ็ดสห้าแล้วอดนี้ Facebook อาที่นี้สูงนะอาทิตย์ก่อนสามร้อยกว่ า, าที่นี้สี่ร้อยกว่ากลับมาอีกร้อยหนึง่งเดี๋ยวนี้รู้สึก YouTube จะค่อยค่อนข้างเย็นะเทียนหนึ่งร้อยกว่า ตอนเมื่อก่อนก็เริ่มแค่สิบกว่ายี่สิบกว่าคนเริ่มรู้จักมากขึ้น youtube มันเข้าง่ายกว่าเพราะไม่ต้องเป็นสมาชิกก็เข้าได้แล้วถ้าอยู่นาเกลอก็มีเคเบิ้ลนาเกลจอมเทียนก็มีเคเบิ้ลจอมเทียนช่องหนึ่งนาเกลอก็ช่องหนึ่งช่องเด็กช่องหนึ่งเหมือนกันบ้านวัดเพอกําลั ง, กำ ล, งกำลังปรับรงค์ใช่ค่ะผมก็ไปจูไม่เจอค ก็บอกว่าเครื่องเครื่องมือยังไม่พร้อมควันมันแรกออกครั้งหนึ่งใช่ไหมวันแรกออกได้ครับแล้วก็สัญญาณสัญญาณที่ส่งออกมาไม่ดีออรก็เลยต้องไปปรับไปปรับตัวตัวโน๊ตบุ๊กนะครับอ็ต้องไปล้างล้างฮาจ์ดไใหม่หมดเลยเออนั้นกดหน้าดูเลยไม่ชอบไม่เจอเลยก็อันนี้ให้ข้อมูลมาเพลิดเราก็เลยเหมือนเกหกหลอกลวงไป ที่ ร, ร, รันีบอกรอบแรกดูได้ที่ช่องห้อครับแล้วก็อะไรก็หายไปเดี๋ยวดูใหม่กัเดี๋ยวต้องรอดเขามั่นใจก่อนนะค่อยประกาศดีกว่าดีหนูก็ <c oughs> ไม่ได้ไปเป่าก่อน <c oughs> <c oughs> ลูกขอดูของจริงก่อนย<อ>ต้องพิสูจน์ก่อ น, นอย่าไปอย่าไปมันเป็นมงคลตื่นข่าวไม่นะลูกขอด้วยนะใครเขพูดอะไรก็ต้องไปพิสูจน์การว่าเขาพูดจริงไม่จริง บางทีก็พูดจริงแต่สิ่งที่ก็พูดมันไม่จริงคือเขาได้รับข้อมูลมาอย่างนั้นเขาก็พูดไปอย่างนั้นยันถึงแม้จะเป็นครูเป็นอาจารย์เราเราก็อย่าไปเชื่อตายใจร้อยเอร์เซนต์บางทีถ้าอาจะพูดผิดก็ได้ยันเราเท่เนี่ยบางคำก็พูดผิดไปฟันโตกนจะพูดจิตก็ไปพูดเรื่องกายแทนเงนี้ยแต่ถ้าฟังแล้วมันจะเข้าใจบางทีปากมันไปมัน ใจไปทางปากมันไปอีกทางนึงไปคนละทางกันยันฟังอะไรก็ต้องมีการกัดกรองก่อนการลำมาสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปเชื่อเชื่อตามก็มาอย่าไปเชื่อเพราะคิดว่าน่าจะเป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยคือคําว่าไม่ไม่ให้เชื่อก็หมายคำว่าไม่ให้เชื่อก็หมายาว่าเขาไม่ได้ไม่ให้เชื่อเพียงแต่ว่าต้องไปพิสูจน์ก่อน เราจะได้รู้ว่าจริงแล้วไม่จริงอย่าไปปฏิเสธทันทีพอเขาพูดนี้พอไม่ถูกใจเราไม่ชอบเราไม่ชอบเรื่องนี้พอเขาพูดนี้ก็ไม่เชื่อเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะเราจะเสียโอกาสบางทีเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเราก็จะไม่ได้รู้เนี่ยบางคนเขาศึกษาเขาศึกษาไม่เต็มรูปแบบเขาคิดว่าศาสนาพูดนิสอนแต่วิธีภาวนาเพื่อดับความทุกข์เท่านั้นเอง ห, หลุดพน้นจากความทุกข์แต่พอมาพูดเรื่องนาโรกเรื่องสวรรค์เขาว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้ ว, วเขาไปศึกษาแต่เฉพาะการภาวนาแต่เขาไม่ได้ศึกษาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอที่มีผลต่อการเวียนว่ายตายเกิดเ อ, องนก็ถ้าปฏิเสธบางทีเขาก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เชื่อไปหมดเลยพอไม่เชื่อ เรื่องเดียวก็ไม่เชื่อไปหมดเลยเพราะตัวเองยังไม่ได้ศึกษาอย่างรอบคอบยังอย่าไปปฏิเสธอย่าไปเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ไปพิสูจน์ดูก่อนให้ฟะเขาเรียกว่าให้ฟังหูไว้หูใครเขพูดอะไรมาก็รับฟังไว้อแล้วไปพิสูจน์ดูว่าเขาพูดจริงหรือเปล่ามีคําถามไหมวันนี้ คำถามแรกเป็นคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะโพธะหมายความว่าอะไรวิภาวะตันหาภาวะตันหาแปลว่าอะไรค่ะโพธะะก็สิ่งที่มากระทบทางร่างกายเช่นอากาศหนาวเย็นร้อนหรือของนุ่มของแข็งเข็มฉีดยาอะไรพวกนี้ที่มากระทบกับร่างกายเรียกว่าโพธะคือถ้าแปลก็จะเรียกว่าสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสกับทางร่างกายเรียกว่าโพธะะ สิ่งที่มาสัมผัสกับตาก็เรียกว่ารูปสิ่งที่สิ่งที่มาสัมผัสกับหูก็เรียกว่าเสียงสิ่งที่มาสัมผัสกับลิ้นก็เรียกว่ารสสิ่งที่มาสัมผัสกับจมูกก็เรียกว่ากลิ่นนี่คือเร่ ก, กรามคุณห้าประการด้วยกันกามคุณกามก็คือรูปเสียงกลดดิ่นรสผลทัพอะมีอยู่ห้าชนิดด้วยกันที่จะเป็นที่มา ให้ร่างกายได้สัมผัสรับรู้แต่ร่างกายนี้ไม่เป็นตัวรู้ตัวรู้นี้อยู่อีกที่หนึ่งโดยตัวรู้นี้ส่งวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณที่เรียกว่าขันห้าเนี่ยขันห้ามีมีร่างกายเป็นตัวรับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็มีตัววิญญาณที่ส่งมาจากใจคือตัวรู้มารับรู้เสียงกลิ่นรสเป็นสะพานเชื่อมสะพานเชื่อมระหว่างร่างกาย กับใจก็คือวิญญาณวิญญาณจะรับรูปจากตาไปรับเสียงจากหูไปแล้วพอดับแล้วก็ส่งไปให้สัญญาให้สัญญาแปลความหมายว่ารูปนี้เป็ น, นรูปอะไรเป็นใครมีเรามีข้อมูลเก่าอยู่หรือเปล่านี่ถ้าเรามีความจําเก่าเคยเห็นรูปนี้มาแล้วพอเห็นรูปนี้ปั๊บก็รู้ว่าอ๋อเป็นคนที่รู้จักกันชื่อนายก็นายขออะไรไปแล้วก็จะรู้ว่า นายกรนายขอนี่ดีหรือล้ายกับเราพอพอรู้ปับ๊บพอสัญญาบอกว่าดีก็เกิดเวทนาเกิดความสุขใจขึ้นมาพอเห็นนายกรพอเห็นนายกรททไรเอาขนมมาให้กินทุกทีมันก็เกิดความสุขใจขึ้นมาหรือถ้าไปเห็นนายขอเห็นททไรก็ด่าวด่าทุกทีนี่ <laughs> มันก็จะจำได้สัญญาคือตัวจำ ตัวจำตัวรับรู้ข้อมูลที่ส่งมาทางตัวแปลความหมายตัวตัวแปลข้อมูลข้อมูลที่เข้า ม, มายังเป็นข้อมูลดิบอยู่ยังเป็นภาพดิบเป็นเสียงดิบยังไม่รู้ว่ามันดีมันชั่วต้องมีตัวสัญญามามาเป็นตัวเ็าเรียกอะไรมาเป็นตัวแปลสัญญาอีกทีแปลภาพอีกทีว่าเป็นภาพดีรหรือภาพไม่ดีเป็นเสียงดีรหรือเสียงไม่ดีพอเกิดการแปลแล้วรู้ว่าดีแล้วไม่ดีก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมา มีความสุขขึ้นมาถ้าดีก็สุขถ้าไม่ดีก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเกิดสุขทุกข์ก็ตัวสังขารก็มาทันทีสังขารก็คือตัวความคิดปรุงแต่งว่าจะทำาไรดีกับรูปที่เห็นนี้เดินหนีดีกว่าถ้าไม่ดีก็เดินหนีหรือแมก็ะ่บอกให้เขาไปอย่าอยู่เลยอยู่แล้วไม่เจริญเชิญเขาไปแต่ถ้าก็ดีก็ต้อนรับรับชวนเขากินกาแฟก่อนอะไรก่อน อาเขาเป็นคนที่เราชอบมาทีไรก็เอาของมาฝากนี่แล้วก็ชวนเขาก็สังขารก็จะคิดไปในทางอยากให้เขาอยู่ถ้าถ้าเขาไม่ชอบก็เกิดสังขารอยากให้เขาไปอยากอยู่ก็เรียกว่าภาวะตันหาอยากให้เขาอยู่ก็เรียกว่าภาวะตันหาอยากให้เขาไปก็เรียกว่าวิภาวะตันหาเวลาเราไม่อยากได้อะไรนี่เรียกว่าวิภาวะตันหาความอยากไม่ได้อะไร ความอยากได้อะไรก็เรียกว่าภาวะตัณหาพอเห็นสิ่งที่เราชอบเห็นเพชรนี้อยากได้ขึ้นมาทันทีแต่เห็นขี้ขึ้นมาก็อยากจะให้มันหายไปทันทีอะกีดนี่หลวงพ่อเทศถูงที่ว่าป่า ช, าช้าเจ้าค่ะแล้วหนูใจตะกีดนี้ที่ฟังพระอาจารย์เทพใช่ไหมคะ มันเบิร์ค่ะมันเกิดอาการกลัวมันขึ้นมาจนฉีเลยเจ้าค่ะอ่าเนี่ยนเสียงได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบไงเสียงไม่ชอบก็เกิดอาการกลัวอาการความทุกข์ใจขึ้นมาใช่ค่ะมันรีบดีไม่ดีอยากจะลุกหนีจากเทศว่าบวคอแตก <ๆ S 2> นี่เพียงแต่ยังเก่งใจอาจารย์อยู่ๆๆๆๆคนที่ไม่เก่งใจบางทีก็ฟังที่ไม่เสียงที่ไม่ไม่ถูกหู เ, าเขาก็เดินหนีไปก็มีแล้วก็เห็นเนี่ยบางทีเราเทศไปพอคนฟังได้สักสองสามคำลุกหนีกันหมดละ เพราะมันพูดไปสะเทือนหูเขาสะเทือนใจเขากลัวค่ะนั่นแหละนั่นก็เหมือนกันเอกผู้่วยอ๋าช้าแล้วมันเห็นภาพแบบหนีอ่ ะ, อะแต่ถ้ามีสติก็หยุดมันได้ที่เราไม่มีสติมันก็กลัวกลัวตัหนุ่มพูดทัวพูดทัวร์แล้วก็บังคับฟังตอฟัองต่อนะถ้าไม่มีสติก็ลุกหนีเลยเห็นไหมการทํางานของขันห้าเริ่มต้นที่ร่างกายก่อนเริ่มทุนที่ตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วพอพออะไรมาสัมผัสกับร่างกายรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าผะมาสัมผัสกับร่างกายก็วิญญาณก็มารับนี่ส่งไปให้ใจตัวรู้ตัวรู้นี่ก็ล้งรอสัญญาบอกว่าไอ้ที่มานี่ดีแล้วไม่ดีสุขหรือทุกข์แล้วก็พอสุขก็คิดไปแนวว่าสุขก็อยากได้ทุกข์ก็อยากให้มันหายไปก็เป็นภวะตัญหาวิภาวะตันหา เาว่าปัญหาก็คืออยากได้วิภาหะปัญหาก็คืออยากไม่ได้อยากให้มันหายพอเห็นเพชรก็อยากได้พอเห็นอุจจาระก็อยากให้มันหายไปแต่ถ้ามีปัญญาก็จะทำให้ใจเฉยๆได้จะเห็นว่าเพชรก็เป็นแค่ดินน้ำนมไฟอันนี้ว่าเป็นดินถ้าเห็นอุจจาระก็ว่าเป็นดินเหมือนกันมันเป็นดินน่ะที่เราไปหลงสมมติสมมุติก็เพชรนี้มีราคาก็อยากได้ก็ อุจจระนี่ไม่มีราคาแต่ถ้าเป็นชาวนาชาวไร่โอ้อุจจระดีเนี่าเอาไปทำปุ๋ยได้ใช่ไหมทีนี้มันอยู่ที่การมองอยู่ที่สัญญาทีนี้เราต้องมาเปลี่ยนสัญญาใหม่สัญญาเรามันบกพร่องสัญญาเรามันหลงหลงกับสมมุติเราต้องมาให้สัญญาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราล้วอย่าประยาก ได้หรืออยากให้มันไปเพราะอยากให้มันไปบางทีมันก็ไม่ไปออยากจะได้บางทีก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์แต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปอยากมันมันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปก็จะไม่ทุกข์ตอนนี้เราต้องมาแก้สัญญาสัญญาเรามันทําให้เกิดความอยากอยากได้อย่างอยากไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์เวลาที่ไม่ได้ดังใจอยาก แต่ถ้าเราเปลี่ยนสัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ไม่น่าอยากได้ไม่มีอะไรน่าจะได้ไม่เพราะไม่มีมันเพราะทุกอย่างมันทุกได้มาแล้วมันทุกอย่าไปอยากดีกว่าต่อไปมันก็จะเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ก็ยังเล่นละครไปได้ใครเ้าให้อะไรมาก็รับได้แต่ก็ไม่ได้รับไปด้วยความยินดีอาจจะแสดงอาการยินดีให้เขาเห็นว่าดีใจของก็ให้มาให้ก็เป็นเล่นละครให้แม่ให้เขาเสียใจ แต่ใจจริงๆก็เห็นว่ามันเป็นไตายักเห็นว่ามันแต่ว่าบางทีก็โลกมันต้องการของปลอมกันของหลอกกันก็บางทีก็ต้องโลกเพราะจิตใจของคนในโลกส่วนใหญ่เป็นเหมือนเด็กอ่ะเด็กก็ต้องเอาใจเด็กเนี่ยต้องหลอกเด็ก อ, อุ้ยดีอย่างนู้นดีเด็กมันก็จะได้ดีใจให้กำลังใจไงครูบาอาจารย์มักจะหลอกเราเพื่อให้กำลังใจแเรา ท่านไม่ได้ดีใจไปกับของที่เราให้ท่านหรอกท่านก็ไม่รู้จะไปทำอะไรท่านมีของที่ดีกว่าท่านมีความสงบเนท่านมีความสงบแล้วของในโลกนี้ไม่มีความหมายไม่มีราคาสาหรับคนที่มีความสงบเหมือนกับของของเล่นนี่ไม่มีความหมายกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ไม่เอามาเล่นแต่ของเล่นกับเด็กนี่มันมีความหมายเหมือกัน ที่ผู้ใหญ่ไม่มีเห็นของเล่นไม่มีความหมายเพราะผู้ใหญ่มีของจริงรถก็เป็นรถจริงไม่ใช่รถเล่นนะไม่ใช่เป็นของเล่นกระโปรงก็เป็นกระโปรงจริงทองก็ทองจริงก็เลยไม่ก็เลยไม่ไม่สนใจกับของเล่นของเด็กพระพุทธเจ้าพระอานาหารก็เหมือนกับผู้ใหญ่ที่ได้มีของจริงมีทองแท้มีอะไรของจริงพวกเรามันเป็นของปลอมทั้งนั้นว่าเรายังดีใจกับของปลอม แล้วของปอมาให้คนที่มีของจริงเขาก็เฉยๆเขาก็ให้มาก็รับไปอย่างนั้นหนึ่งจะไปปฏิเสธก็เสียน้ำใจเดี๋ยวจะไม่ได้ฝึกฝนอบรมในการเสียสละท่านก็เลยทําเป็นดีใจไปกับการให้ของของเราแต่ท่านไม่ไเอมไปทําอะไรแร้วเหมือนกับเด็กเอาของเล่นไปให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็โอ้ยขอบใจหนูไหนกําลัองอยากได้เลยใช่ไหม เด็กมันฟังแล้วก็ดีใจต่อบเป็นใจเห็นเวลาให้อะไรคนอื่นแล้วก็ดีใจก็อยากจะให้อีกเพราะเห็นคนอื่นกาดีใจตัวเองก็เกิดความดีใจเกิดความสุขใจขึ้นมาเท่านั้นแหละนี่คือพูดถึงเรื่องของใจที่มันเปลี่ยนสัญญาเป็นปัญญาไปหมดนะสัญญาเป็นสมมุติเห็นของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของว่าที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นมิตรเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบ เห็นของเล่นว่าเป็นของจริงพูดง่ายๆแต่พอเราเจอของจริงแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของจริงนอกจากความสงบนอกจากนั้นเป็นของของไม่จริงของปลอมเาเป็นของเป็นสุขปลอมทั้งนั้นได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจางหายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นแต่ถ้ายังอยู่ในโลกก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับโลกเขาอยู่เขาอยากจะให้รังวี่รางวาลก็รับไป เขาอยากจะด่าก็รับไป ม, ม, มีทั้งคนให้รางวัลมีทั้งคนให้ให้ให้ให้ให้โทษเพราะในโลกนี้จิตใจของคนมันแล้วแต่เขาจะคิดเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเราดีเขาก็ยกย่องสรรเสริญเราบางคนเขาคิดว่าเราไม่ดีเขาก็ด่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปด่าได้ที่เรารู้ว่าเราเป็นอะไรมันก็ไม่มีปัญหาปัญหาคือเราไม่รู้กันเราไปหลงสมมติจากเขา พอก็ดา่าเราเป็นควายก็คิด ว, ว่าเราเป็นควายขึ้นมาจริงจริงเสียใจใหญ่เลยใช่ไหมพอใครเขว่าเราเป็นควายเสียใจไหอแล้วเราเป็นควายป่ะ น, <c oughs> นั่นะสิจะเป็นเพราะเราง่ยงงกับคาพูดก่อแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะรู้มไม่ไฟ่ะก็กกเสียนใจเลยคบางเจ็บๆนะครับดอกนะดอกก็ดอกมันไม่เนเจ็บเลย พอเรอเราไปดอกก็เจ็บขึ้นนะั้นทำไมพอเราไปติดสมมุติพอเราไปติดด่าเข้าเมาก่อนเมล่เราโกรธใครเ ก, กลียดใครแ่าวก็ด่าเข้าดอกก่อนมันก็เลยพอเขามันกลับมาหาเรามันก็เลยเจ็บทั้่งนั้มมนเฮ้ยสายให้ทุกข์กับใครทุกนั้นก็กลับมาหาเราไงแม่ก็สาเราก็เคยดา <c oughs> <c oughs> ย้อนใช่ไห ย, ย้อนกลับมา คำว่าดว่าจะต้องกลับมาหาเราให้สุขกับคนถ้าเราใช้คําดอกให้เป็นคําสุขมันเวลาเขาดอกเขาก็เลยเราดอกเราก็จะดีใจใช่ไหมย่านี้เราไปใช้คําว่าดอกว่าไม่ดีเราก็เวลาเขาเอากลับมาให้เราเราก็เลยว่าไม่ดีมันก็เป็นความสมมุติที่เราไปตั้งว่ามันดีหรือไม่ดีคําว่าดอกจริงๆมันไม่มีความหมายอะไรดอกไม้เองมันจะไม่ดีตรงไหนเลยแต่พอกลายเป็นดอกทองก็ไม่ดีนะแต่ถ้าดอกอย่างเดียวดี D, ทองอย่างเดียวดี D, แต่มันรวมกันแล้วกลับไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราไปตั้งสมมุติไปไปตั้งว่ามันดีไม่ดีกันของขึ้นมาเองความจริงมันก็เป็นแค่คำํคำคโพูดนั้นเองนะดอกไม้ดีดอกทองไม่ดีทองเนี่ยอย่างเดียวดีเอดอกไม้อย่างเดียวดีดอกไม้ดอกกระไม้ดีแต่ดอกกับทองไม่ดี <c oughs> แปลกไหเพราะภาษาของเราเนี่ย ทำให้ใจคนนี้ขึ้นๆลงๆได้ดีใจเสียใจได้กับแค่ค ำ, คำสองคำนี่เองะดอกไม้ดอกไม้นี่สวยเหลือเกินยิ้มเยียนใหญ่พอดอกทองนี่ไม่ยิ้มเลยดอกทองนี่สวยเหลือเกินไม่มีใคร่เอาล่ะออมีอะไรไหมคําถามคาถามทาง facebook นะคะจากคุณเคทค่ะ เราสามารถซื้อรูปภุนอบแห้งส่งไปทางปลายเสนีให้วัดป่าที่กันดานได้ไหมเจ้าคะเพื่อเป็นยาฉันระบายพระสามารถเก็บไว้ได้กี่วันเจ้าคะ อ, อ๋อถ้ายังไม่รับประเคนเก็บได้ตลอดคือต้องฝากลูกศิษย์ไว้เลือกเก็บไว้ในคลังส่วนกลางที่วัดนี้ก็จะมีห้องเก็บของสาหรับเป็นของที่ยังไม่ได้รับประเคนของนั้นเก็บได้ตลอดแต่เอาไากินไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้ ต้องรอให้มีลูกศิษย์ถ้าต้องการต้องบอกให้ลูกศิษย์ไปหยิบมาประเคนก่อนเพราะจะไปะหยิบมาเองในห้องเก็บของไม่ได้เข้าใจไหมของที่ยังไม่ประเคนนี่ไม่มีอายุแต่ถ้าของเรารับแล้วเราประเคนแล้วนี่เราใช้ได้เอาติดตัวไปกับเราไปที่กุฏิที่ไหนได้แต่เก็บได้ไม่เกินเจดวันบางอย่างบางบางอย่างก็เก็บได้แค่เช้าถึงเพลนเช่นอาหารที่ได้มาจากบินตบานนี่เก็บไว้ได้แค่ถึงเพล หลังจากเพลแล้วก็ต้องเก็บไว้ไม่ได้ถ้าอยากจะเก็บไว้นานๆเช่นเขามีให้เครื่องกระป๋องมาเนี่ยก็ อ, อาหารกระป๋องอะไรเนี้ยถ้าอยากจะเก็บไว้นานๆก็อย่ารับประคินอย่าให้เขาถวายกับมือให้เขาวางไว้เนี่ยของส่วนใหญ่ถึงให้ญาติยมวางไว้เฉยๆวางไว้แล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้วเวลาต้องการจะใช้ถึงต้องให้คนไปถวายทีนึ่ก่อน ไปไปหยิบเองไม่ได้ของในห้องเก็บของนี่ไปหยิบเองไม่ได้ต้องถ้าอยากจะใช้ต้องให้ลูกศิษย์หรือให้ญาติโยมคนใดคนหนึ่งมาช่วยถวายให้ก่อนถ้าอย่างนี้ก็เก็บไว้ได้นานถ้าส่งไปปับ๊บใบเสนีให้กับมือกับพระพระรับปั๊บนี่อันนี้ก็ไม่รู้เจ็วันหรือเปล่าเพราะมันมีน้ําตาลเนี่ยมันมีความหวานอยู่ถ้ามันผสมน้ําตาลมันก็เก็บได้แค่เจ็ดวัน แต่ถ้าพระฉลาดพระเขาจะรู้ว่าเป็นอะไรเขาไม่เขไม่รับกับมือก่อนพระเขาจะให้โยมเปิดดูก่อนให้ลูกศิษย์เปิดดูก่อนของส่งมาเป็นอะไรเป็นปลากระป๋องเป็นของกินมันแต่ละอย่างมันมีอายุไม่เหมือนกันถ้าเป็นอาหารนี่ถ้าเป็นปลากระป๋องถึงมันจะเก็บได้เป็นปีเนี่ยแต่ถ้ารับประเคนปั๊บนี่ต้องใช้ภายในวันนั้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเก็บไว้ไม่ได้นละ้ถ้าอยากจะเก็บไว้อย่าไปรับกับมือให้ลูกศิษย์เอาไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของก่อน แล้ววันไหนเข้ายากมาแพงวันไหนบินธบาตไม่มีใครใส่บาทก็ให้ลูกศิษย์ไปเปิดปลากระป๋องมามาอาจารย์อยู่วัดป่าตรงนี้เป็นอย่างเนี้ยบางวันก็บินธบาตคนก็มากบางคนก็ น, อน้อยวัดป่านี่เมื่อก่อนไปอยู่วัดป่าบ้านตาช่วงยุคแรกๆคนจะมากชลเสาวาทิตยนธรรมดานี่เงียบเพราะคนไปทํางานกันหมดอาศัยชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ไม่มีอะไรมากมีข้าวเหนียวแล้วก็มี ขอเล็กๆน้อยบางทีก็ไม่พอก็ถ้ามีปลากระป๋องมีผักดองก็ให้เด็ดจากจัดการยำปลากระป๋องแล้วสําหรับของหวานก็นมข้นเนี่ยนมข้นแล้วก็จิ้มน้ําเอาเข้าวเหนียวจิ้มนมข้นเป็นของหวานไปจบนะทอดปลาเป็นอย่างนั้นสมัยที่วันไหนที่ไม่มีบิบาบอาหารไม่พอก็อาศัยอาหารที่ญาติโยมส่งไปจากต่างจังหวัดเนี่ย มีญาติโยมส่งไปจากกรุงเทพส่งไปไลน์เป็นของที่เก็บไว้ได้งานก็ให้ลูกเิียบเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้วพอวันไหนไม่มีอาหารก็บอกให้ลูกเิียบจัดการเอามาทํามาถวายพระได้อย่างนี้ก็เก็บได้ตลอดแต่ถ้าพระรับกับมือปั๊บเนี่มันจะมีบางอย่างก็เก็บได้แค่ครึ่งวันบางอย่างก็เก็บได้เจ็ดวันบางอย่างก็เก็บได้แค่คืนเดียวยเช่นน้าผลไม้คั้นเนี่ยต้องเก็บได้แค่คืนเดียว เมื่อสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นเนี่ยถ้าเก็บไว้ข้ามคืนไตายมันก็จะบูดก็เลยต้องกินภายในวันนั้นห้ามข้ามคืนไปแต่ของเมือย่างนี่เก็บได้นานท่านก็ให้เก็บไว้แค่เจ็ดวันเช่นน้ําตาลน้ําพึ่งน้ําอ้อยนี่ก็ให้เก็บไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวันถ้ารับกับมือแล้วแต่ถ้าไม่รับกับมือวางไว้อย่างเนี้แต่ก็กินไม่ได้อยากจะกินเอ ง, เองก็หยิบไม่ได้ต้องให้ลูกศิษย์หยิบ ถ้ามันเป็นขวดใหญ่มันมากกินไม่หมดก็ให้แบ่งออกมาจะได้เก็บไว้ได้ส่วนที่ไม่ได้รับประเคนก็แยกเอาไว้ส่วนที่รับประเคนก็ต้องกินให้มันหมดภายในเจ็ดวันถ้า เ, เหลือก็ต้องสละให้ลูกศิษย์ไปเก็บไว้กินต่อไปไม่ได้พระมุธเจ้าไม่ต้องการให้พระสะสมข้าวของโดยต้องบังคับให้เสียสละให้สละออกไปพอหมดหมดอายุแล้ว อาหารได้บางจากบิณฑบาตหลังจากเที่ยงวันนั่งหมดไปแล้วเก็บไว้กินพรุ่งนี้ไม่ได้คําถามข้อต่อไปจากคุณเป็นอิสระภาพค่ะเรานั่งสมาธิได้สักพักแล้วมีอาการระดึกถึงเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างนี้แล้วจะทําอย่างไรดีคะก็หยุดมันสิเราไม่ได้นั่งเพื่อคิดเนี่ยเรานั่งเพื่อให้มันหยุดคิด พอมันคิดเราก็ต้องหยุดมันเนื่นั่งแบบไม่มีสติอย่างที่เล่าเริ่มต้นสติสองสามคำแล้วก็ปล่อยมันอัตโนมัติมันไม่ได้หรอกสติมันไม่อัตโนมัติเนี่ยมันต้องคอยประคับประคองให้มันอยู่เรื่อยๆบางคนคิดว่านั่งสมาธิพุทโธพุทโธเสร็จสองสามคำแล้วก็นั่งดูจิตไปนี่เดี๋ยวมันก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาร้อยแปดแต่ไม่สิ่งที่เราต้องการมันไม่โผล่คือความสงบคําถามข้อต่อไปจากคุณอภาสรีค่ะ นั่งฟังเทศสักพักรู้สึกมีอาการง่วงนั่งหลับตาและกำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆได้ไหมคะได้แต่จะมันมันก็จะไม่ได้ฟังเทศแต่นั่นเองถ้าอยู่กับพุทโธมันก็จะไม่ได้ฟังเทศถ้าฟังเทศก็ต้องไม่พุทโธไม่ทำอย่างอื่นฟังอย่างเดียวแต่ถ้ามันง่วงก็ถือว่าวันนั้นหมดสิิ์ไปก็แล้วกันคาถามข้อต่อไปจากคุณมล์ค่ะ เคยได้ฟังคําว่าพระพุทธเจ้ายกย่องทานพระองค์ตรัสว่ามาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทานบารมีจริงหรือไม่เจ้าคะก็ส่วนอย่างเง้ยมันไม่ใช่ประทานอย่างเดียวมันมีศีลบารามีเนคขมารบารามีปัญญาบารามีอุเบกขาบารามีแต่มันเริ่มต้นที่ทานก่อนเนี่ยเหมือนกับได้ปริญญาเอกมาเพราะได้ได้เรียนอนุบาลมาเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนอนุบาลมันก็ขึ้นปฐมไม่ได้ เป็นปฐมไม่ได้ขึ้นมัธยมไม่ได้ขึ้นระดับปริญญาไม่ได้ยั้นท่านก็พูดตามหลักความเป็นจริงตามขาลักขั้นบันไดว่าที่ได้ตัดสิรู้เพราะว่าได้เริ่มต้นขั้นที่หนึ่งคือทานถ้าไม่ทําทานก็ยังจะไปรักษาศีลไม่ได้ไปภาวนาไม่ได้เพราะยังเสียดายเงินยังอยากใช้เงินไปเที่ยวอยู่ก็จะหาเงินได้เงินมาก็ไปเที่ยวเรื่องอะไรไปทําบุญทําทานให้เสียเปล่าใช่ไหมทำบุญมันได้แหละ ทำทำงานมาแทบเป็นแทบตายได้เงินมาวันหยุดห้าวันก็ไปเที่ยวไม่ดีกว่าเนี่ <c oughs> เอาเงินที่หา ม, มาแทบเป็นแทบตายไปทําบุญเนี่แต่สําหรับคนที่เขาอยากจะไปนิพพานเขาจะเอาไปทําบุญหมดเพราะเขาทําบุญแล้วเขามีความสุขมากกว่าพอได้ไปเที่ยวพอเขาทําบ่อยๆเข า, าก็เลือกเที่ยวได้เพราะเลือกเที่ยวได้ก็เลือกหางเงินได้ไม่ต้องทำไม่ต้องทํางานไม่ต้องทํางานก็ไปบวชได้อ ไปไปขั้นต่อไปได้ไปรักษาศีลไปภาวนาได้มันก็ต้องเริ่มต้นที่ทานก่อนต่อไปคำถามจากทางไลน์จากคุณเพชรนะคะพระอาจารย์เจ้าคะถ้าเรามีเงินพอจะช่วยเหลือเขาเที่ยวและกินแต่เขาไม่เกรงใจเราพูดเยอะเราต้องช่วยเขาต่อไหมคะตามที่เมื่อวานพระอาจารย์บอกว่า การทําบุญคือการช่วยเหลือที่ด้อยคนที่ด้อยกว่าเราก็ได้บุญนะคะจนเรารู้สึกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะต้องทําอย่างไรดีเจ้าคะ อ, อ๋อต้องช่วยให้ได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่ช่วยแล้วให้เกิดโทษนะเช่นช่วยให้เขาเที่ยวให้เขากินเขาดื่มทําให้เขาเกียดค้านไม่ไปทํามาหากินเลี้ยงตัวเขาเองช่วยแบบนี้ก็ทําให้เขาเสียหายและเขาก็กำลังมาเกาะเราไปตลอดชีวิตนี่ไม่ใช่วิธีช่วยช่วยแบบ ให้เขาถ้าก็เดือดร้อนในปัจจัยสี่ไม่สบายขาดเงินที่จะไปรักษาเราก็ช่วยรักษาเขาอย่างนี้ช่วยเป็นในสิ่งที่จําเป็นช่วยให้เขาล้มก็ช่วยให้เขาลุกขึ้นมาเพื่อให้เขาจะได้เดินต่อไปได้ให้เขาพึ่งตัวเองได้ช่วงที่เขาพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้นี่คือช่วยส่วนที่จะช่วยแบบเสนเหานี่ก็ช่วยเป็นวาระบางโอกาสเป็นวันเกิดเขาก็จัดงานเลี้ยงมันเกิดให้เขาเรืออะไรอย่างนี้ไป แแแตแบบแบบต่่่่่่่ไไไมมมมมใชททํําาบบบบพพเเือีีหุผลคำถามข้อต่อไปจากทางลายคุณกอบการกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะเวลาสวดมนต์หรือทําสมาธิบางครั้งจะรู้สึกเหมือนว่างเปล่าหายไปชั่วขณะหนึ่งแล้วกลับมาสวดมนต์ต่อได้หรือทําสมาธิต่อได้ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรคะ ก็มันก็ลุกขึ้นมาหรือถ้ามันหายไปสติหายไปก็ลุกขึ้นมามันอาจจะหลับไปชั่วคราวแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่ถ้าไม่อยากให้มันหลับก็พอรู้ว่าจะหลับก็อย่าเพิ่งไปนั่งเดินซะก่อนเดินจงกรมไปซะก่อนถ้านั่งแล้วหลับก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคําถามข้อต่อไปจาก youtube คุณเบนนี่เม็ดกราบนมัสการพระอาจารย์อย่างสูงค่ะอยากกราบถามว่าศีลข้อสาม ที่มีข้อห้ามทําอะไรบ้างคะขออย่างละเอียดคะ่ะก็ไปร่วมหลับนอนกันละเอียดที่สุดแล้วถ้ายังไม่ร่วมหลับนอนกันก็ยังถือว่าไม่ไม่ผิดศีลข้อสามถึงแม้จะไปเที่ยวกันไปเอาแตะเนื้อต้องตัวกันมันก็ยังไม่ผิดมันจะผิดก็ต่อเมื่อไปร่วมหลับนอนกันเพียงแต่ว่าอย่าไปทําพวกที่ไปแตะเนื้อต้องตัวอย่าไปอยู่สองต่อสองเพราะมันจะทําให้ไฟลุกไฟลุกแล้วมันจะดับไม่ได้ แต่ไฟยังไม่ล uk, ุกเพียงแต่ไปแตะเนื้อต้องตัวกันนี่อยู่ด้วยกันคุยกันสองต่อสองนี่นยังยังยังไฟยังไม่ลุกมันจะไปลุกต่อเมื่อมันไปนอนด้วยกันมันจะผิดเสียงก็ต่อเมื่อไปนอนด้วยกันเท่านั้นเองแต่ท่านก็ให้ไม่ให้ประมาทกอา็อย่าไปอย่าไปอยู่ใกล้กันอย่าเอาน้ำน้าน้ามันกับไฟไปอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นง่ายๆให้แยกกันอยู่อย่าอยู่กันสองต่อสองในที่เปรี่ยงอย่างนี้ Course อย่าพูดจาคุยกันในทางเกียวพาลาสีอย่าไปแตะเนื้อต้องตัวกันอันการกระทาเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นสู่การไปสู่การกระทาผิดต่อไปดังนั้นก็ไม่ควรทำแต่ยังไม่บาปแ ต, แ ต, แต่แต่ไม่ควรทำเพราะเป็นเป็นกระบวนการที่จะนาไปสู่การกระทำบาปเต็มรูปแบบต่อไปคือการไปร่วมหลับนอนกันครับ ขอถามสงสัยส่วนตัวค่ะพระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นที่เขาพูดกันว่าเป็นกิกกันก็ยังไม่บาปใช่ไหมคะไม่บาปแต่อย่าไม่นอนร่วมกันแล้วกั น, กนถ้านอนร่วมกันก็บาปจะนอนก็ต้องนอนกับสามีภรรยาของตนเอันที่รับรู้ของสังคมเนแ่บ ป, ประเพณนี้ไงเปาเวนีหรือก็แปลว่า ป, ป, ประเพณีประเพณีของมนุษย์ก็คือต้องเป็นสามีภรรยา ก, กันต้องเป็นการรับรู้ของ คนที่เกี่ยวข้องพ่อแม่พี่น้องขอ ง, ของทั้งสองฝ่ายหรือว่าสองคนนี้เขาเป็นสามีภรรยากันคนอื่นจะได้ไม่ไปยุ่งกันถ้าถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นประเพณีของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีประเพณีแต่งงานกันใช่ไหมเราไว้ในประกาศให้รู้ว่าคู่นี้เป็นคู่นี้เดี๋ยวตัวอื่นมันมามันใหญ่กว่ามันอยากจะได้มันก็มันก็กัดตัวเล็กไปแล้วก็แย่งตัวแฟนของไอ้ตัวเล็กไปได้อันนั้นก็เรียกว่าเป็นผลให้ประเพณีของสัตว์ไป ถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ก็เราก็ต้องมีรักษาประเพณีของสามีภรรยาของการแต่งงานของการประกาศให้รับรู้ของสังคมว่าเป็นคู่ของกันและกันแต่ถ้าไปพบกันในบาร์ในผับแล้วก็หิ้วกันไปหาโรงแรมนี้ก็อย่างนี้ก็แบบเดราชาดาช่ยเดราชานเขาก็ไปเจอตัวไหนเขาโชคชอบชอกชอบใจเขาก็ปากรไปไปอยู่ไปอะไรของเขาไป นี่คือประเพณีของมนุษย์เนี่ยเราไม่ต้องการผริตพผิดประเพณีของมนุษย์ก็จะทำให้เราอยู่ในสังคมของมนุษย์ลาบากวุ่นวายคำถามข้อต่อไปจาก YouTube ค่ะน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะจากคุณจันทรินะคะน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะอุเบกขาแบบกิเลสเป็นอย่างไรคะแล้วเวลาหนูทำสมาธินิ่งๆแบบลืมตา เวลามองสิ่งอื่นหรือคนหนูจะรู้สึกทื่อๆหนูปฏิบัติผิดหรือไม่คะคืินนิ่งๆแบบกี่เด็กก็คือร่างกายนิ่งวาจานิ่งแต่ใจไม่นิ่งเห็นอะไรอยากได้ใจอยากได้แต่พยายามหาักข้ามใจไว้อย่าไปซื้ออย่าไปแตะอย่าไปเอาแต่มันไม่มันไม่นิ่งมันไม่นิ่งจริง ถ้านิ่งจริงอุเบกขาจริงเห็นก็เฉยเฉยไม่อยากได้เห็นกระเป๋าสวยขนาดไหนก็ไม่อยากได้เห็นรองเท้าสวยขนาดไหนก็ไม่อยากได้แล้วเมื่อกี้คำถามข้อที่สองเขถามว่าไงอเบกขาหลังจากอุเบกขาก็ว่าไงเวลาหนูทำสมาธินิ่งๆแบบลืมตาเวลามองสิ่งอื่นหรือคนหนูจะรู้สึกทื่อๆหนูปฏิบัติผิดไหมคะไม่รู้ทื่อแปลว่าไงทื่อๆแปลว่าไง ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ <c oughs> ถ้าเราเฉยไม่มีอารมณ์ก็ใช้ได้เช่นเห็นเขาดา่าเราเ้าก็เฉยเฉยเขาชมเราเขาก็เฉยเฉยก็อย่าให้เรารักชางกลัวหลงก็แล้วกันถึงจะเรียกว่าเป็นอุเบกขาจริงค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะจากคุณโบโบการค่ะคำว่าเจริญสติหมายความรวมถึงการรู้ทันความคิดและหยุดปรุงแต่งด้วยใช่ไหมคะ แล้วเราจะฝึกได้อย่างไรคะก็เรารู้อยู่แล้วว่าเราคิดตลอดเวลานเราต้องการหยุดความคิดเราก็ต้องมีอะไรมาทดแทนความคิดนั้นเช่นให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธเพราะว่าถ้าเรารู้ทันแล้วหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติพอที่จะหยุดมันเราก็ต้องหาอะไรมาหยุดมันก็ต้องหาวิธีสร้างสติให้มีกำลังมากที่จะหยุดมันได้วิธีสร้างสติก็ต้องให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อยู่กับพุโทธโธพุทโธไปอยู่กับบทสวดมนต์ไปอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้คําถามข้อต่อไปจากคุณเอพริลทําอย่างไรถึงจะได้คู่ครองที่ดีคะขอบพระคุณค่ะอ๋อไม่มีหรอกในโลกนี้คู่ครองที่ดีพระพุทธเจ้าบอกโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์เพราะทุกอย่างไม่เที่ยงคู่ครองเรามันไม่เที่ยงทุกคน่ดีต้น แต่เสียปลายทั้งนั้นน่ใช่ไหมดีตอนต้นหกเดือนอย่างมากเราแลจากนั้นมัวข้าวไม่ทันดำันก็เปลี่ยนไปแล้วจากดีก็กลายเป็นไม่ดีมันดีทั้งนั้นน่ะดีตอนต้นแต่มันไม่มันไม่ดีตลอดทั้นนั้นเองอย่งถ้าอยากจะหาคู่ครองที่ดีตลอดไม่มีแต่ถ้าคู่ครองที่ดีตอนต้นมีเยอะแยะไปก็เอาแค่ตอนต้นเลยเหมือนกับ มืนกากินขนมเ ค, ค้กก็เอาแต่ไอเอาแต่ที่มันอร่อยอที่ไม่อร่อยก็อย่าไปกินมันนเดี็กก็เปลี่ยนใหม่พอมันไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนใหม่เหมือนเปลี่ยนฐานไฟฉายไปรู้ไว้ก่อนว่ามันจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังไม่ต้องมาล่องห่มล่องห้าเสีย อ, อกเสียใจมีอีกไหม อ่าสุดท้ายมันผ่อนคำถามสุดท้ายจากคุณดีโอค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะนั่งให้จิตรวมนั่งถึงไหนถึงเรียกว่าจิตรวมแล้วเวลานั่งสมาธิไปสักพักแล้วรู้สึกว่าหายตัวไปแล้วพอมีสติพุโทโธอีกก็ว่างขาวไปหมดเลยค่ะนั่งถึงไหนแล้วคะช่วยแนะนําด้วยค่ะนั่งอยู่ในอ่างไงวนไปวนมาเงี้ยต้องมีพุโทโธมีสติต่อเนื่อง แล้วจะไม่มีอะไรปรากฏแล้วจิตก็จะค่อยๆสงบหรืออาจจะสงบแบบพวดพาดก็ได้แล้วแต่ลักษณะของความสงบไม่แน่นอนบางทีก็วุบลงไปนื่งสงบรู้เวลาลูบวุบนี้ไม่ได้หายไปไหนรู้ตลอดว่ามันวุบลงไปเวลาเราตกหลุมอากาศนั่งเครื่องบินแล้วมันตกลุมอากาศนี่หรือเวลาสมัยก่อนนั่งรถยนต์นี่สภพานมันจะแบบลงแบบพวดพาดลงแล้วรู้สึกมันวุบลงไปที่ท้องเนี่ มันจะวูบแบบนั้นแล้วก็จะนิ่ง<ม>แล้วจะสบายมีความสุขต้องมีสติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ใช่อย่างที่บอกเริ่มต้นที่สติสองสาคำแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอัตโนมัติมันไม่เป็นอัตโนมัติหลอกสติมันก็หายไปพอหายไปมันก็ปล่อยให้จิตปุงแต่งผลิตอะไรต่างๆมาหลอกเราเท่านั้นเองเราจะไม่ได้ความสุขได้ความสงบจากการปฏิบัติเอาแล้วนะวันนี้ก็พอดีสมควรแก่เวลา